เรื่องที่36เวนต่อจากนี้ไปจะอธิบายพระพุทธวจนะสู่กันฟังสักบทหนึ่งจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ไม่ทราบแต่ว่าทางถูกต้องนั้นถูกแน่และเป็นเรื่องที่ทุกคนผู้หวังความเป็นไทยแก่ตัวควรจะคิดเรื่องที่ว่านี้คือเรื่องเวนเวนกรรมนะ่ะไม่ใช่เวนยาม ความจริงคำว่าเวนเป็นคำที่ชาวบ้านเราพูดถึงกันมากอยู่เหมือนกันคนที่มีลูกไม่ดีเป็นลูกล้างผานก็มักจะอุทานว่าลูกเวนคนที่ได้ผัวไม่ดีมีแต่เกลี้ยกราดทุตีไม่เว้นแต่ละวันเขาเรียกว่าคู่เวนพวกคนแก่คนเฒ่าเวลาทำบุญแล้วกรวดน้าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวน เรื่องเวนนี้พระพุทธองค์ตรัสถึงอยู่มากเหมือนกันเพราะเป็นภัยร้ายแรงต่อความสงบสุขและความเจริญของชีวิตจิตใจฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องเวนกันสักครั้งคงจะดีพระพุทธวจนะที่สรุปเรื่องเวนลงได้สั้นที่สุดเท่าที่เห็นมาคือพระพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกเล่ม27 ข้อที่182ที่ว่านะหิเวเรณะเวรานิเวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยเวนพระพุทธวจนะบทนี้ยืนยันว่าเวนมีจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราพูดกันลมๆแแรงๆเพื่อที่จะคลายพระพุทธภาษิตนี้ให้กระจ่างเราจะต้องตั้งประเด็นวิจารณ์สัก3ามประเด็นคือเวนคืออะไร เวรดีหรือไม่ดีอย่างไรและเวรเกิดขึ้นและระงับลงได้อย่างไรเวรคืออะไรเวรคือการผูกใจที่จะเป็นคู่ล้างคู่ผลาญกันระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเพราะเคยทำอะไรขัดใจกันมาแต่ทั้งนี้ไม่ใช่การผูกพยาบาทคือการผูกใจที่จะทำลายคนอื่นมันมีอยู่สองลักษณะคือการผูกพยาบาท กับผูกเวนผูกเหมือนกันแต่วิธีผูกต่างกันโปรดฟังให้ดีการผูกพยาบาทนั้นผู้ผูกเอาความแค้นใจของตนเป็นเดิมพันเช่นมีใครคนหนึ่งมาทำให้เราเจ็บแค้นเวลาเราผูกใจไว้ว่าเราจะทำลายเขาให้สมแค้นเมื่อได้ทำลายเขาสมใจแค้นของเราแล้วก็เลิกผูก ที่ผูกก็เพื่อจะล้างแค้นในหัวใจของเราเท่านั้นผูกใจล้างแค้นอย่างนี้เรียกว่าผูกพยาบาทการผูกพยาบาทนั้นอาจยืดเยื้อไปนานๆหลายเดือนหลายปีก็ได้แล้วแต่ผู้ผูกจะตีราคาความแค้นของตัวกับใครบางคนตีราคาด้วยความเสียหายที่คล้ายๆกันเช่นแกด่าข่าข้าจะด่าแก แกฟันหมาข้าข้าจะฟันหมาแกแกฆ่าพ่อข้าข้าจะต้องฆ่าพ่อแกแกเผาบ้านข้าข้าจะต้องเผาบ้านแกอย่างนี้เป็นการล้างแค้นด้วยความเสียหายที่เท่ากันบางคนเอาความเจ็บใจเป็นที่ตั้งเขาเคยทำให้เราเจ็บใจเท่าไหร่จะต้องทำให้เจ็บใจเท่านั้นไม่ว่าจะทำได้ด้วยวิธีใด บางคนถูกทำให้เจ็บแขนแล้วยังล้างแ้นไม่สำเร็จตัวจะต้องตายเสียก่อนถึงกับสั่งลูกสั่งหลานไว้ให้ล้างแ้นแทนก็มีแต่ไม่ว่าคนผูกใจล้างแ้นนั้นจะยืดเยื้อเพียงใดหรือไม่ก็ตามหากผู้ผูกเอาความแ้นเป็นทุนคิดว่าถ้าได้ทำให้สมแ้นแล้วก็เลิกอย่างนี้เป็นการผูกพยาบาทอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นพยาบาท บางทีเราจรึงแปลว่าความผูกใจล้างแค้นต่อจากการผูกเวนคือผูกเวนนั้นผู้ผูกไม่ได้จำกัดเขตที่สุดเอาไว้คิดแต่ว่าจะเป็นคู่ล้างคู่ผลันตลอดไปทุกคนทุกแห่งทุกพบทุกชาติผูกอย่างนี้เรียกว่าผูกเวนท่านผู้ใดเห็นต่างกันบ้างระหว่างผูกพยาบาทกับผูกเวน ถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้นึกถึงวิธีผูกเชือกวิธีผูกเชือกนั้นทำเงื่อนได้สองอย่างคือเงื่อนเป็นกับเงื่อนตายผูกเงื่อนเป็นนั้นผูกเพื่อแก้เขาทบเงื่อนเอาไว้พอเสร็จธุระแล้วกระตุกเงื่อนนิดเดียวก็หลุดส่วนผูกเงื่อนตายนั้นผูกไม่เผื่อแก้คิดจะผูกไว้จนกระทั่งผูกพังไปด้วยกันเรื่องแก้เลิกพูดกัน เมื่อเอาการผูกพยาบาทกับผูกเวรมาเทียบกันก็เทียบกันได้ผูกพยาบาทเหมือนผูกเงื่อนเป็นผูกแล้วแก้ได้ผูกเวรเหมือนผูกเงื่อนตายผูกไม่คิดจะแก้อีกคนผูกพยาบาทเขาพูดว่าฉันจะต้องเล่นงานแกให้สมแค้นคนผูกเวรเขาพูดว่าข้าจะขอเป็นคู่ล้างคู่ผลานกับแกตลอดไปท่านผู้ฟังเห็นความแตกต่างกันหรือยัง เทียบกับการผูกเชือกอย่างนี้รู้สึกว่าเข้าใจง่ายหน่อยใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจก็จำไว้คิดดูก่อนเวลาใครผูกอะไรก็นึกคิดดูผูกม้าผูกวัวผูกเรือผูกรองเท้าผูกห่อข้าวและผูกอะไรก็เหมือนกันมี2แบบเท่านั้นผูกเงื่อนตายให้นึกว่าเหมือนผูกเวรผูกเงื่อนเป็นให้นึกว่าเหมือนผูกพยาบาท ผลได้ผลเสียทีนี้พูดถึงผลได้ผลเสียของการผูกเวรการผูกเวร น, นั้นไม่ว่าจะคิดในแง่ใดหรือจะดูเหลี่ยมใดมุมใดก็ตามไม่มีผลได้เลยเสียทั้งเพเพราะเกลียดเขาและคิดว่าเขาเป็นอริแต่เราเกิดเอาใจเราไปผูกติดกับเขามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็นอนทุกเวรอย่างคา ถึงจะมีความสุขบ้างอีตอนที่ได้ทำลายเขาก็เป็นความสุขจอมปลอมเราหลงคิดเอาเองว่ามันเป็นความสุขที่จริงมันเป็นความสุขที่เราได้ทำความทุกข์เพิ่มขึ้นเท่านั้นคนที่คิดผูกเวรคนอื่นมักจะคิดเห็นแต่ทางได้คือคิดว่าผู้เสียหายคือผู้ที่ตัวไปผูกเวรไว้มันจะต้องเป็นผู้ถูกล้างผลาญซึ่งความจริงแล้ว ตัวผู้ผูกเวนั่นต่างหากจะเป็นผู้ย่อยยับส่วนคนที่ผูกเวนั้นไม่แน่นักแต่ของพันนี้หัวใจที่ถูกเวนบังคับแล้วมักจะมองไม่เห็นอุปมาเหมือนลิงคิดจะเผาบ้านคนมันคิดว่ามันจะกระโดดลงในอ่างน้ำมันให้มันโชคตัวแล้วก็จะกระโดดเข้าไปในครัวซึ่งคนก่อไฟไว้แล้วเอาหางแย่เข้าไปที่เตาไฟ เสร็จแล้วก็วิ่งพลานไปให้ทั่วบ้านไฟก็เผาบ้านย่อยยับชั่วพริบตาลิงคิดได้แล้วก็หัวเราะคิดว่ามันเก่งกว่าคนแต่มันไม่ได้นึกเฉลียวใจว่าการทำเช่นนั้นมันเป็นการเผาตัวของมันเองด้วยและไม่ได้คิดว่าลิงนั่นแหละจะเสียหายมากกว่าคนเพราะคนเขาวิ่งออกจากเรือนได้แม้เรือนจะไหม้ตัวคนก็ยังอยู่ ส่วนลิงตายคนเราลงได้ผูกเวรกันแล้วมันจะต้องตามล้างตามผลาญกันจนได้ในตำราทางศาสนาท่านยกตัวอย่างให้ดูสัตว์และคนสองถึงสามจพวกในแง่ที่ว่าผู้มีเวรต่อกันจะต้องมีอันได้พัวพันล้างผลาญกันจนได้มันแปลกจริงๆถึงแม้อยากจะเวน้นแต่ว่าเวรก็เหนี่ยวรั้งไว้ ให้ได้จิกหัวกันต่อไป